เจิปรมตถธรรมขั้นเวทนานี้แลที่สำคัญยิ่งในตนเชื่อว่าสัตว์จะมีพลังงานสี่คือมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานอยู่ในพลังงานที่เรียกว่าจิตจิตนยิยม ต่างจากพืชซึ่งมีพลังงานสองของมันก็เรียกได้ว่ามีแค่สัญญากับสังขารพลังงานมีคุณสมบัติแม้เวทนาก็ยังไม่ถึงดังนั้นพลังงานขั้นพีชนิยามหากพัฒนาเจริญขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่าเวทนาในองค์ประกอบของธรรมะสองที่มีฐา ภาวะของรูปและภาวะของนามทำงานร่วมกันที่เรียกว่ากายจนมีพลังงานเริ่มเป็นความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์ในตนเองเรียกภาษาวิชาการว่าเวทนายัางไม่ได้ก็ยังไม่ชื่อว่ามีพลังงานเข้าขั้นจิตนิยาม เขียนมาถึงตรงนี้อาตมานึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามจะสร้างหุ่นยนต์ให้มีความรู้สึกขั้นเวทนาคือนอกจากจะมีอัตโนมัติในตนเองทุกสิ่งอย่างได้แล้วก็ยังมีพลังงานในตัวมันเองรู้สึกรักชังสนุกสนานยอดเศร้าส้อยยิ่ง หรือมีทุกข์มีสุขได้เยี่ยมกว่าสัตว์เดรัจฉานคือเหมือนคนมันยากยิ่งจะเป็นไปได้หรือพลังงานในหุ่นยนต์นั้นแค่ขั้นพีชนิยามก็ชื่อว่าชีวะแล้วแล้วจะทําหุ่นยนต์ให้ไปเป็นชีวะขั้นพีชนิยามก่อนเถอะจะได้ไหมถ้าไม่ได้ หุ่นยนต์ก็มีชีวะก้าวข้ามขึ้นไปมีเวทนาเป็นจิตนิยามไม่ได้แน่ยิ่งกว่าแน่อย่าเสียเวลาเลยแต่ถ้าจะพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประโยชน์ใช้สอยดีวิเศษอย่างไรก็จงทำเถิดแต่อย่าเสียเวลาคิดทำให้มันเป็นชีวะ จนคนหลงตามนำไปสร้างหนังหลอกคนเลยมันครอบงำทางความคิดให้คนงมงาย